ในอัตถกถาโสนสูตรบอกว่าท่านโสนนี่คือใครคืออุบาสกนะโสนอุบาสกนั้นเพราะประกาศความเป็นอุบาสกโดยที่ท่านนั้นถึงสารณะสามถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเพราะทรงเครื่องปฏิปติตัวเขาเองเนี่ยตัวโสนอุบาสกเนี่ยมีเครื่องประดับหูมีราคาหนึ่งโกธก็เลยเรียกว่ากโกติกันนะ เขารู้กันเรียกว่ากุติกันนะก็คือโซนะเนี่ยผู้เป็นเด็กดีจะเป็นกุณระบุเนี่ยนะโอ้ยรวยมากรวยขนาดว่ากุตุ้มหูในะราคาโกดหนึ่งนะเนีหนักใจอยู่ในว่าเอ้หูไม่หลุดหรือเนี่ยนะเรียกว่ากุติอะไรนะราคาโกดหนึ่งก็ราคาสิบล้านนะนีตุ้มหูราคาสิบล้านไม่ธรรมดานะสิบล้านสมัยนั้นก็ประมาณร้อยล้านสมัยนี้เนะี่ย เอาอะไรมาทำดีนะได้๋ยวนะเพศก็ต้องน่นน่ะเท่าแก้วมั่งใหญ่กว่าแก้วอีกมั่งหูนี่หลุดแน่นอน่ะถ้าเพชรอ่ะนะยังนึกไม่ออกว่าเอาอะไรมาทำนะจึงให้สมควรเนี่ยนะไปคิดมากเลยก็โสนอุบาสกนั้นฟังทมในสำนักของท่านพระมหากัจจายนะเทระเลื่อมใสยิ่งนักในพระศาสนา ตั้งอยู่ในสารณะสมาทานศีลให้สร้างวิหารในที่สมบูรณ์ด้วยร่มเงาแลนะน้ําในประวัติบพญทบแล้วนิมนต์พระมหากจัจจยนะเถระให้อยู่ในวิหารนั้นแล้วก็บํารุงด้วยปัจจัยสี่ปัญโสน ะ, ะโกติกันนะอุบาสกคนนี้เป็นอุปถากของพระมหากจัจจยนะเขาไปยังที่บํารุงของพระเทระตามเวลาอันสมควรและพระเทระก็แสดงธรรมแก่เขาด้วยเหตุนั้นเขาจึงมีความ สลดใจคือสังเวชสังเวคานี่คือสังเวชในอะไรสังเวชในอะไรอบายสีสังเวชในนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานสังเวชในวัตตะในอดีตสังเวชวัตฐมูลที่จะมีต่อไปในอนาคตสังเวชในทุกโทษในการสแสวงหาอาหารเป็นต้นก็เกิดความอุตสาหะในการประพฤติธรรมคราวหนึ่งเขาไปเมืองอุชเชนีกับหมู่เกวียนเพื่อต้องการไปค้าขาย เมื่อพักอยู่เมื่อพักหมู่เกวียนไว้ในดงระหว่างทางเพราะกลัวคนจะแออัดโสนะคนนี้ก็หลีกไปนอนหลับเสียณนะที่ส่วนสุดด้านหนึ่งในเวลาใกล้รุ่งหมู่เกวียนก็ลุกไปเสียแม้คนเดียวก็ไม่ปลุกให้โสนะอุบาสกตื่นคนแม้ทั้งหมดไม่ได้นึกถึงก็พากันไปเสียเมื่อราตรีสว่างแล้วเขาตื่นนอนแล้วก็ลุกขึ้นไม่เห็นใครเลยจึงถือเอาทางที่หมู่เกวียนนั่นแหละไป เมื่อเดินไปนานๆานก็แวะเข้าไปยังเข้าไปพักยังต้นไสรต้นหนึ่งณนะต้นไสรนั้นเขาได้เห็นบุรุษคนหนึ่งมีร่างกายใหญ่โตดูผิดรูปผิดร่างไหมก็มันเกินมนุษย์มนานเนี่ยนะทั้งหน้าเกลียดตนเองนั่นแหละเคี้ยวกินเนื้อของตอนที่หล่นจากกระดูกเนื้อนี่หลุดไปจากกระดูกเป็นเป็นชิ้นเป็นหลุดเป็นหลุดแล้วก็เคี้ยวกินเนื้อของตัวเองอย่าง อ, าอร่อยอรยเน็ตพูดเองนะอร่อย ท่านเห็นแล้วก็ถามว่าท่านเป็นใครเนี่ยนะกำลังนั่งเออเราเคี้ยวเนื้อกินเนื้อตัวเองอยู่นั่นแหละบอกว่าฉันเนี่ยเป็นเปรตท่านผู้เจริญบอกเพราะเหตุไรท่านจึงต้องมานั่งเออมาเคี้ยวกินเนื้อตัวเองอย่างนี้เพราะกรรมของตนบอกเลยนะเพราะกรรมของตัวเองนั่นแหละเอาก็กรรมนั้นเป็นอย่างไรเปรตเล่าว่าเมื่อชาติก่อนเนี่ยฉันเป็นพ่อค้ากงอยู่ในเมืองพารุกัตฉนคร หลอกลวงเอาของคนอื่นมาเคี้ยวกินเมื่อพระสมณะเข้าไปบิณฑบาตก็ด่าว่าจงเคี้ยวกินเนื้อของพวกเมืองซี้เหมัอนกันทำไมจะต้องไปเที่ยว บ, บิณฑบาตขอทานกบกินเนื้อตัวเองสปไรายเหมืนกันเพราะกรรมนั้นฉันได้เสวยทุกนี้ในบัดนี้ปากเจ้ากรรมนอนกนโสนอุบาสกได้ฟังดังนั้นก็กลับได้ความสลดใจอย่างเลือล้นนนะโว้ยสังเวชใจอย่างมาก ต่อจากนั้นก็เดินไปพบพวกเปรตเด็กเล็กสองตนเปรตเด็กๆนั่นเองมีเลือดดำไหลออกจากปากจึงถามอย่างนั้นเหมือนกันเปรตนั้นก็เล่าให้ฟังซึ่งกรรมของตนแก่โซนาอุบาศกได้ยินว่าในเวลาที่ยังเป็นเด็กเปรตเหล่านั้นเลี้ยงชีพด้วยการค้าขายสิ่งของในพารุกัชานครเมื่อมารดา ข, ของตนนิมนต์พระขีณาสทั้งหลายให้มาฉัน จึงไปยังเรือนแล้วก็ด่าว่าทำไมแม่จึงให้สิ่งของของพวกเราแก่พวกสมณะขอให้เลือดดำจงไหลออกจากปากของพวกสมณะผู้บริโภคโภชนะที่แม่ให้แล้วเถิดไปแช่งดา่าผู้มีศีลเขานะให้ดื่มเลือดตัวเองกินเลือดตัวเองเพราะกรรมนั่นแหละเด็กเหล่านั้นหมกไหมอยู่ในนรกแสดงว่าเหตุการณ์นี้เกิดในพระพุทธเจ้าอ ง, งค์ก่อน หมกไมย่ยในรกอยู่นานพ้นมาจากในรกก็มาเกิดในกำเนิดเปรตด้วยเศษแห่งวิบากกรรมจึงเสวยทุก์ดื่มกินแต่เลือดตัวเองเนี่ยนะเพราะปากที่ไปด่าพระอุบาสกฟังคำแม้นั้นแล้วก็เกิดความสลดใจอย่างเหลือล้นไปยังกรุงอุเชนีตรวจตราถึงงานที่ตนจะพึงทํานั้นแล้วก็กลับมายังเรือนประจาตระกูลเข้าไปหาพระเถระได้รับการปฏิสันถานแล้วก็แจ้งเนื้อความนั้นแก่พระเถระ ฝ่ายพระเถระนะก็คือเล่าเรื่องเปรตให้พระเถระฟังนะพระเถระเมื่อจะประกาศโทษของการเกิดว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็แสดงอ น, นิสงค์แห่งความดับทุกข์แก่โสนอุบาสกนั้นก็แสดงธรรมเขาไหว้พระเถระแล้วก็ไปเรือนบริโภคอาหารมื้อเย็นแล้วก็เข้านอนพอนอนหลับไปได้หน่อยหนึ่งก็ตื่นนั่งบนที่นอนแล้วก็พิจารณาธรรมะตามที่ตนได้สดับมา เมื่อพิจารณาธรรมะนั้นก็หววระลึกถึงอัตภาพของเปรตเหล่านั้นสังขารทุกปรากฏเป็นของน่ากลัวยิ่งนักใจก็น้อมไปเพื่อบรนประชาต้องการที่จะออกจากวัตัครั้นราตรีสว่างเธอก็ชำระร่างกายเสร็จแล้วก็เข้าไปหาพระเถระแจ้งอัทยาายคือเนคขำมัตยาสายัยต้องการจะบวชของตัวเองให้พระเถระทราบก็เลยขอบรประชาเพราะฉะนั้นในพระสูตรจึงมีอยู่ว่า ในข้อหนึ่งร้อยสิก็สมัยนั้นแลท่านพระมหากัจจายนะอยู่ที่ปวัตตะบรรโพ์แควนกุรุระคะในอวันตีชนบทสมัยนั้นแลอุบาสกชั้วโซนะโกติกันนะเป็นอุปถากของท่านพระมหากัจจายนะครั้งนั้นแลอุบาสกชั้วโซนะโกติกันนะลีเกรนอยู่ในที่ลับได้เกิดความปริวิตกแห่งใจอย่างนี้ว่าที่มาคิดอย่างนี้ก็เหตุผลเพราะเห็นเปรตกับระลึกถึงธรรมที่ พระมหากาจัจจยนะแสดงโทษของความเกิดในวัตฏะอันนิสงของการดับวัตะได้ก็เลยไปเล่าให้พระมหากาจัจจยนะฟังว่าพระคุณเจ้ามหากาจัจจยนะย่อมแสดงธรรมโดยอาการใดๆธรรมนั้นย่อมปรากฏแก่เราผู้พิจารณาอยู่ด้วยอาการนั้นๆอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์คือไตรสิกขาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ โดยส่วนเดียวดุดสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายผิดฉะนั้นเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะย้อมน้ำฝาดออกบวชเป็นบนรรปชิดเถิดลำดับนั้นแล้วอุบาสกโสนโกติกันณนะก็เข้าไปหาท่านพระมหากจจยนะถึงที่อยู่อภิวาสแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระมหากจรยนะว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอโอกาส กระผมหลีเกรนอยู่ในที่ลับได้เกิดปริวิตตกแห่งใจอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้ามาหากัจจยนะย่อมแสดงธรรมะโดยอาการใดๆธรรมะนั้นย่อมปรากฏแก่เราผู้พิจารณาอยู่ด้วยอาการนั้นนั้นแสดงว่าฟังและจําได้หมดเลยใช่ไหมพอจําได้หมดจึงสามารถเอามาตรึกมาใคร่ครวญพิจารณาทบทวนแล้วก็เห็นจริงอย่างที่ท่านว่าทั้งหมดแล้วก็เห็นจริงต่อไปว่าบุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวดุดสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายพิฉะนั้นเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะอกบวชเป็นบนรรพชิตเถิดข้าแต่ท่านผู้จเจริญขอพระคุณเจ้ามาหากาจจยนะโปรดให้กระผมบวชเถิดเมื่อโซนะโกติกันนะอุบาศกกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมาหากาจจยนะก็ได้กล่าวกับอุบาศกโซนโกติกันนะว่าดูก่อนโซนะ พรหมจรรย์ที่มีพัดหนเดียวมีการนอนผู้เดียวตลอดชีวิตทําได้ยากนะักนะเราเล่าอุปสรรคให้ฟังก่อนนะตอนแรกบอกโอบวชนี่ดีเหลือเกินการออกจากวัตด่ดีพอจะบวชเข้าจรจงก็บอกแม่พรหมจรรย์มีพัดหนเดียวนะก็คือทานได้เฉพาะเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นนะ<ม>ก็ต้องนอนคนเดียวนะไปนอนร่วมกับใครได้ที่ไหนล่ะปกติทาได้ยากนะต้องทาอย่างเงี้ยตลอดชีวิต ดูก่อนโสนะเชิญท่านเป็นครือขัดอยู่ครองเรือนนั่นแลจงมันประกอบพรหมจันทร์มีพัดหนเดียวนอนผู้เดียวเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเถิดเอางี้ก็ล้กันไปลองรักษาอุโบสถ ด, ดูกรไปฝึกเอาศีลแปดดูเป็นหลักก่อนครั้งนั้นการปรารบเพื่อจะบวชของโสนะอุบาสกกุติกันนะก็ระงับไปเนี่ยนะระงับไปมาดูอัตตกถาหน้าห้าห้าสี่ว่า พระผู้เป็นเจ้ามหากัจัยณะแสดงบอกบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้เตือนประกาศธรรมะโดยประการใดๆเมื่อเราโซนะคร้ครวนอาการนั้นย่อมปรากฏอย่างนี้ว่าพรหมจันทร์คือสิกขาสามนี้ที่จะพึงประพฤติให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวโดยรักษาไว้ไม่ให้ขาดจนวันเดียวจนถึงจิตดวงสุดท้ายให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียว โดยทำให้โดยทาไม่ให้มีมนทิ น, นนะความเศร้าหมองด้วยมนทินคือกิเลสแม้จนวันเดียวจนถึงจิตดวงสุดท้ายให้เป็นเช่นเดียวกับสังที่ขัดดีแล้วคือเปรียบด้วยสังที่ชําระจนสะอาดดีพรหมจรรย์นี้อันบุคคลผู้อยู่ครองเรือนคือผู้อยู่ใน่ามกลางเรือนจะประพฤติให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียวมิใช่าทาได้ง่าย ฉะ น, นันเเราพึงปลงคือพึงโกนผมและนวดแล้วปกปิดคือนุ่งห่มผ้าคือผ้ากาสายะพระย้อมน้าฝาดคือผ้าที่สมควรแก่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ออกจากเรือนแล้วบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนอัน น, นก็เป็นผู้ไม่มีเรือนเพราะว่าไม่มีการทำกิจกรรมเพื่อการครองเรือนเพราะฉะนั้นขอให้พระผู้เป็นเจ้ามหากัจนยะจงให้กระผมบวชเถอดขอรับ ฝ่ายพระเทระก็ไข้ครควญว่ายานของเธอยังไม่แก่กล้าก็รอคอยความแก่กล้าแห่งยานหมายา็ว่าความรู้ความเข้าใจของพระโสนโกติกันนะเนี่ยยังไม่พร้อมเพราะว่าถ้าบวชในตอนแรกไม่รู้จะบวชต่อได้ตลอดไปหรือเปล่านี่นะก็รอให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจมากกว่านี้ก่อนก็เลยห้ามความพอใจในการบวชบอกว่าทําได้ยากทําได้ยาก บทว่าเอกพัตังนี้ท่านกล่าวหมายถึงการเว้นจากการบริโภคในเวลาวิการที่กล่าวว่าอย่างนี้ว่าภิกษุเป็นผู้มีพัฒผลหเดียวเว้นจากความกำนัดเว้นจากการบริโภคในเวลาวิการคือเที่ยงวันจนถึงรุ่งอรุณเอกสสยังได้แก่นนอนไม่มีที่นอนคำว่าเอกสสยังนี้เมื่อมุ่งถึงการนอนเป็นประธานก็แปลว่าผู้ที่บวชนี้จะต้องมีกายวิเวกในอิริยาบดี เป็นต้นว่ายืนคนเดียวเดินคนเดียวนั่งคนเดียวเป็นต้นไม่ใช่แสดงเป็นผู้ผู้นอนอย่างเดียว บ, ร ม, ร, ร, ยบรมจริยังได้แก่พรหมจรรย์คือเว้นจากเมถุนนะหรือาศาสนาพรหมจรรย์คือการประกอบเนืองเนืองซึ่งไตรสิกขาเนี่ยการไตรสิกขาเนี่ยให้สิกขาสามเป็นไปอย่างต่อเนื่องก็ทําได้ยากบทว่าพุทธศาสนังอนุยนช ะ, ะอ๋ออนุยนชะความว่า จงประกอบเนืองๆซึ่งศีลมีองค์ห้าศีลมีองค์แปดศีลมีองค์สิบต่างกําหนดเป็นนิจศีลอุบาสด อ, อุโบสถศีลเป็นต้นไปเจริญสมาธิภาวนาปัญญาภาวนาอันสมควรแก่ศีล น, นั้นจิงอยู่พรหมจรรย์ น, นี้อันอุบาสกพึงประพฤติเนืองๆในส่วนเบื้องต้นชื่อว่าพระพุทธศาสนาก็ไปรักษาศีลไปก่อนนะนะรักษาศีลหรักษาอุโบสถเจริญสมาถิวิปัสสนาได้ตามสมควรเอาไปก่อน จะเพิ่งบวชเลยเพราะว่าบวชการบวชพรหมจรรย์เนี่ยมีพัดหนเดียวนอนคนเดียวทำได้ยากนะโสนอุบาสกนี่ก็เชื่อนะเพราะฉะนั้นบอกว่ากาและยุตตังประกอบด้วยการคือวัน14บ่คัมสิบ้าคดคัมในวันปาติหาริยปักท่านท่านก็สามารถ เ, เราสามารถ ตลอดกาลละอันควรคืออันเหมาะสมแก่ผู้ประกอบเนืองเนืองในการละตามที่กล่าวแล้วอธิบายว่าไม่ใช่บวชตลอดกาลคำทั้งหมดท่านกล่าวไว้เพื่อให้เหมาะสมในสัมมาปฏิบัติเพราะการทั้งหลายละได้ยากเหตุของท่านยังไม่แก่กลา้าไม่ใช่กล่าวเพื่อจะห้ามฉันทะหรือห้ามศรัทธาในการบวชคือที่พูดอย่างนี้เนี่ยหมายคือว่าโซนะโกติกันนะเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีในเมืองนั้นนะน ทีนี้เป็นมหาเศรษฐีที่ลักษณะดูเหมือนว่าเป็นลูกชายคนเดียวด้วยนั้นถ้าหากว่าตัวเองปัญญาก็ยังไม่แก่กล้าแม่ก็อยู่คนเดียวนี่ตัวเองออกมาบวชแล้วปัญญาไม่แก่กล้าเดี๋ยวก็อ้อนวอนขอร้องเดี๋ยวก็สึกอีกนะนั้นไงบวชบวชสึกสึกมันดูงามที่ไหนล่ะใช่ไหมมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นรอให้หลายๆอย่างมันพร้อมไปก่อนรอไปก่อนอ น, นะเหตุผลที่ห้ามผมมาก็เคยอาศัยเหตุผลใน ห, ห้ามโยมไปหลายคนนะเดี๋ยวก่อนเก่อน นี้ก็ขั้นก็ไปหลีกเล่นนะนะก็คิดที่บอกว่าบทว่าปรับพระชาพิสังคาโรคือเริ่มอุตสาหาเพื่อจะบรรประชาบทว่าปฏิปฏัติสัมพีความว่าระงับไปเพราะอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเพราะความสังเวชยังไม่แก่กล้าถ้าแก่กล้าจริงยังไงก็ต้องขอบวชจะด้วยเหตุผลใดก็ต้องบวชโดยประการทั้งปวงแต่ถ้าห้ามแล้วเลิกนะไม่เท่าไรหรอกเนี่ยนะ ก็บออย่าเพิ่งเลยรอก่อนหน้าอะไรเนี่ยทำเป็นว่าง่ายที่จริงก็ตัวเองก็ยังไม่อยากบวชเท่าไหร่นั่นแหละเห็นการบรรประชาของเธอระ ง, งับไปก็จริงถึงอย่างนั้นเธอก็ยังดำรงตามวิถีที่พระเถระบอกไว้แล้วคือบอกให้นะ <_ d ata> แล้วก็เข้าไปหาพระเถระตามกาละอันสมควรนั่งใกล้ฟังธรรมจิตของเธอก็เกิดขึ้นน้อมไปในการบวชเป็นครั้งที่สองโดยนายดังกล่าว เธอก็แจ้งกับแก่พระเถระให้ทราบแม้ครั้งที่สองพระเถระก็ห้ามแต่ในวาระที่สามพระเถระรู้ว่าเธอมีญาณแก่กล้าแล้วจึงให้เธอบันประชาว่าบัดนี้เป็นเวลาให้เธอบันประชาพระเถระก็ให้เธอบันประชาแล้วก็สแสวงหาคณะล่วงไปสามปีจึงได้อุปสมบทมันในอัตกถาเออในบาลีหน้าห้าร้อยสี่สิบเจ็ดกลางๆหน้าว่า ครั้งที่สามโซนอุบาศกอ น, นะอุบาศกโซนะโกติกันนะลีเกรนอยู่ในที่รับเกิดความปริวิตตกแห่งใจอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้ามาหากัจจยนะย่อมแสดงธรรมด้วยประการใดๆธรรมะนั้นย่อมปรากฏแก่เราผู้พิจารณาอยู่ด้วยอาการนั้นนั้นอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวดุดสังขัดไม่ใช่ทาได้ง่ายพิฉนั้นเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกบวชเป็นบนรรตชิตเถิดแม้ครั้งที่สามโสนุบาอุบาศกโสนกุติกณ น, นะก็เข้าพระมหากัจจายนะก็ขออย่างนั้นลำดับนั้นแหลท่านพระมหากัจจายนะก็ให้โสนุบาศกกุติกก น, นะบวชแล้วก็โดยสมัยนั่นแหละอวันตีทักคินาบทเนี่ยนะมีภิกษุน้อยหายากนะที่จะอยู่รวมกันถึงสิบรูป ครั้งนั้นและท่านพระหมหากัจจยนะให้ประชมพระภิกษุสงฆ์ทศวรรษคือภิกษุสิบรูปแต่บ้านนิคมเป็นต้นนั้นอะ่ะโดยยากโดยลำบากโดยล่วงไปสามปีจึงให้ท่านโสนะอุปสมบทได้ก็ให้บวชเนนใช่ไหมต้องรอพระภิกษุรวมกันสิบรูปจึงจะให้บวชพระได้มั้นก็รอรอนะนิมนต์บอกเรียบรอให้พระรูปนี้ให้สมบับวชสมบัตเนรก่อนพระรูปนี้รอไปได้ไม่กี่เดือนก็ต้องตาย องค์ใหม่กว่าจะมาององใหม่มาองค์เกาเ่าก็ไปก่อนแล้วอย่างเงี้ยนะก็เลยสวนการรวมกันกว่าจะครบสิบรูปได้บวชก็ยากตอนหลังบอกว่าปัจปจามตะชนบทนี้อนุญาตให้บวชห้ารูปเนื่องจากว่าในปัจจามตะชนบทหาพิสุ ร, รวมกันสิบรูปได้ยากครั้งนั้นแหลท่านพระโสณะอยู่จำพรรษาแล้วหลีกออกจากที่เร้นอยู่ในที่รับเกิดความปริวิตกแห่งใจอย่างนี้ว่าเราไม่ได้เฝ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเฉพาะพระพักแต่เราได้ฟังเท่านั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์เป็นเช่นนี้พระองค์เป็นเช่นนี้ได้ยินแต่ชื่อเสียงได้ยินแต่คุณงามความดีได้เข้าใจแต่พระธรรมแต่ไม่เคยเห็นองค์จริงเลยเป็นอย่างไรถ้าว่าพระอุปัชฌายะพึงอนุญาตเราสายเราพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือก็อย่างว่านะ พระโสนโกติกกนาอันี้ถือว่าเป็นผู้มีบุญมากได้บวชกับพระมหากัจยนะใช่ไหมพระมหากัจยนะก็คือองค์ที่เรียบเรียงเนติ ป, ปกรณ์เนี่ยนะงั้นการบรรยายพระธรรมเป็นต้นนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีลาภมากเนี่ยนะได้บวชกับผู้ทรงคุณเช่นนั้นแล้วก็พระมหากัจยนะสา ม, มารถสันเสริมทักษุณของพระผู้มีพระภาคได้อย่างพิสดารให้พระโสนฟังะนั้นท่านก็มีศรัทธาที่อยากจะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของเรานี้ถ้าอยู่ก็อาจก็ไปกันแล้วเนาะไปกันมาแล้วหลายรอบ ส, สถานที่ยังไปเลยนะจะ ก, กล่าวไปยายถึงองค์จริงอย่างนี้รึเปล่าลำดับนั้นแลเป็นเวลาเย็นท่านพระโสดนะออกจากที่เร้นเข้าไปหาพระมหากัจรยนะถึงที่อยู่อภิวาแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระมหากัจรยนะว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญขอโอกาสเมื่อกระผมหลีกออกเร้นอยู่ในที่ลับได้เกิดความปริวิตตกแห่งใจอย่างนี้ว่าเราไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเฉพาะพระพักแต่เราได้ฟังเท่านั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นเช่นนี้พระองค์เป็นเช่นนี้ถ้าว่าพระอุปัชยะเพึงอนุญาตเราใ้เราพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ท่านก็ฉลาดขอนะท่านไม่ได้ไปขอตรงๆนะท่านเล่าให้ฟังว่าท่านได้คิดอย่างนี้อนะคิดอย่างนี้เสร็จแล้วอุปชาจะอนุญาตหรือไม่คนที่ที่เป็นจริงๆเนะี่ยไม่ไปถึงก็ขอเลยกนะ็ถูกปฏิเสธใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาก็เล่าลักษณะไปเล่าให้ฟังว่าตอนที่หลีกเล่นเนี่ยคิดอย่างนี้เรีว่านําเสนอก่อนท่านพระมหากัจยานะก็กล่าวว่าสาธุสาธุสาธโสนะ ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมา ส, สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเถิดโอ้ยสันเสริญพระพุทธคุณต่อไปว่าท่านจักได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคจ้าพระองค์นั้นผู้หน้าเลื่อมใสควรเลื่อมใสมีอินทรีสงบมีพระไทยสงบผู้ถึงความสงบและความฝึกอันสูงสุดผู้ฝึกแล้วผู้คุ้มครองแล้วมีอินทรีสัรวมแล้วผู้ประเสริฐอันนี้คืออธิบายแล้วนใน พายะสูตรใช่ไหมพายะสูตรที่พระพายะไปเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้ครั้นแล้วท่านทระโสนะโกติกันนะเข้าไปครั้นแล้วเนี่ยนะพอไปเฝ้าอย่างนั้นแล้วอ่ะท่านจงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวตามคําของเราจงทูลถามถึงความเป็นผู้มีอาพาธน้อยพระโรคเบาบางกระปรี้กระเป่าทรงมีกําลังอยู่สําราญเถิด ท่านพระโสนะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระมหากัจายนะแล้วลุกจากอาสนะอภิวาท่านพระมหากัจายนะกระทำประทักษิณเก็บงามเสนาสนะแล้วก็ถือบาทและจีวรลีกจาริกไปทางพระนครสาวัตถีเมื่อเที่ยวจาริกไปโดยลำดับได้ถึงพระนครสาวัตถีแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านาพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีถวายบังคมแลว้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง คั้นแล้วได้กราบทูลว่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าดังที่ปรารถนาแล้วนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระมหากัจจยนะอุปชายะของข้าพระองค์ถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวและทูลถามถึงความเป็นผู้มีพระอาภรน้อยพระโรคเบาบางพระกะปรี้กะเปลาทรงมีกำลังทรงอยู่สำราญพระเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุเธอพึงอดทนได้หรือว่ามีความสุขมากเลยนะได้ยินพระผู้ เ, เจ้าตรัสด้วยอย่างน้นะพึงให้เป็นไปได้หรือเธอมาสิ้นหนทางไกลด้วยความไม่ลำบากหรือและเธอไม่ลำบากด้วยบินทบาทหรือท่านพระโสนกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์พึงอดทนได้ไม่ใช่ทนอดนะอดทน แล้วก็เพืงให้เป็นไปได้ข้าพระองค์นี้มาสิ้นหนทางไกลด้วยความไม่ลำบากและข้าพระองค์ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตพระเจ้าค่าลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งท่านท่านอ์นนว่าดูก่อนอานอน์เธอจงปูละเสนาสนะสำหรับภิกษุผู้อคันตุกะนี้เถิดลำดับนั้นท่านท่านอนด âm เรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่ง ใช้เราว่าดูก่อนอนนท์นเธอจงปูลาเสนาสนะสำหรับภิกษุอคันตุกะนี้เถิดดังนี้เพื่อภิกษุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารถนาจะประทับอยู่ในวิหารเดียวกันกับภิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารถนาจะประทับอยู่ในวิหารเดียวกันกับท่านพระโสนะใช้อย่างงี้พานนเข้าใจเลยไงท่นนานพรนนก็ปูลาเสนาสนะสาหรับพระโสนะในวิหารที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอ ย, ยู่ <K r anger ian> ครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยับยัง้งด้วยการประทับนั่งอยู่ในอัโพโภกาศคือกลางแจ้งสิ้นราตรีเป็นอันมากทรงล้างพระบาทแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่พระวิหารแม้ท่านพระโสณะก็ยับยัง้งด้วยการนั่งในอัปโภกาศสิ้นราตรีเป็นอันมากล้างเท้าแล้วเข้าไปสู่พระวิหารครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรี รับสั่งกะท่านพระโสนว่าดูก่อนพิสุการกล่าวธรรมจมการกล่าวธรรมจงแจมแจ้งกเะเธอเธอก็คือใช้ให้พระโสนกล่าวธรรมะท่านพระโสนทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ได้กล่าวพระสูตรทั้งหมด16สูตรจัดเป็นเรียกว่าอยู่ในอัฏฐกะวักนะมีในอัฏฐกาวักเนะ น, นี่ยมีพระสูตรอยู่16พระสูตร ท่านก็กล่าวด้วยำทำนองสารพันยะลำดับนั้นในเวลาจบสารพันยะของท่านพระโสณนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุโมทนาวสาทุสาธทุภิกษุเธอเรียนพระสูตรสิสูตรในอัทธกะวกัเธอเรียนดีแล้วกระทำไว้ในใจดีแล้วทรงจาไว้ดีแล้วเธอเป็นผู้ประกอบด้วยวาจาไพเราะ เป็นวาจาที่ไม่มีโทษสามารถเพื่อจะยังเนื้อความให้แจ่มแจ้งหมายคาอว่าเธอสามารถใช้คําให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจเนื้อความตามที่ประสงค์จะสื่อได้ทั้งหมดดูก่อนภิกษุเธอมีพภาษาเท่าไหร่ทันทศนากราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์มีภาษาหนึ่งภาษาเดียวพระเจ้าข้า เ, เธอได้ทําช้าอยู่อย่างนี้เพื่ออะไรทําไมน่าจะบวชตั้งนานละ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้เห็นโทษในการทั้งหลายโดยการละนานทั้งคาราวะาก็คัแบแคบมีกิจมากมีกรณียะมากพระเจ้าค่าก็รู้อยู่แต่ว่ามันยากไงพระองค์ทราบเนื้อความนั้นแล้วก็เปล่งอุทานว่าพระอริยเจ้าย่อมไม่ยินดีในบาปท่านผู้สะอาดย่อมไม่ยินดีในบาปเพราะได้เห็นโทษในโลกเพราะได้รู้ทำไม่อันไม่มีอุปทิศ ไม่ยินดีในบาปก็คือไม่ยินดีในสมุทัยสัจจะใช่ไหมเห็นโทษในโลกก็คือเห็นทุกขสัจจะโดยวิปัสนาอย่างสูงรู้ธรรมะอันไม่มีอุปธิรู้นี่เป็นสัจจะไหนรู้ความรู้เป็นมรรคสัจจะทำอันไม่มีอุปธิคือนิโรสัจจะเนี่ยคาถานี้ก็ประกาศอริยสัจจะนั่นแหละ นี่มาดูข้อความในอัธกถาบอกว่าในหน้า557ย่อนหน้าบทว่าเอทิโซจะเอทิโซจะบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเราได้มาฟังว่าคือได้ยินได้ฟังในพระพุทธคุณว่าพระองค์นี้เห็นปานี้พระองค์เห็นป่านี้ คือพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงประกอบด้วยนามกายสมบัติรู ป, ปรกายสมบัติเห็นตานี้และประกอบด้วยธรรมกายสมบัติเห็นตานี้ก็เลยกล่าวคำว่า เ, เราเนี่ยประสงค์จะเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต่อหน้าซึ่งยังไม่เคยเห็นต่อหน้าอาจารย์ทั้งหลายหมายเอาความเป็นปุถุชนเท่านั้นว่า กล่าวว่าพระโสณะได้มีความประสงค์จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ภายหลังเธออยู่ในพระคันตกุตีเดียวกันกับพระาศาสดาในเวลาใกล้รุ่งพระาศาสดาทรงเชื้อเชิญให้ทําไว้ในใจให้มีประโยชน์ถึงพระสูตร16สูตรนนะในอัถกะวักนนะชื่อว่าอัตกะวรคเนี่ยนะเฉพาะพระพักพระาศาสดาแล้วประมวลมาไว้ในใจทั้งหมดเป็นผู้รู้แจ้งอัดและธรรมเมื่อจะกล่าวเป็นผู้มีจิตเป็นสมาธิ โดยมุขคือปราโมทอันเกิดแต่ธรรมในเวลาจบสารพันญะเริ่มวิปัสนาพิจารณาสังขารบรรลุเป็นพท่ารหารันโดยลําดับก็เพื่อประโยชน์นี้เท่านั้นนะนีคือเป็นผู้ที่กล่าวธรรมะเขาบอกว่าแสดงธรรมให้ตัวเองฟังแสดงธรรมให้ตัวเองฟังแสดงจบแล้วก็พิจารณาธรรมตามที่ตัวเองแสดงแล้วบรรลุอันนี้เนี่ยคืออ า, อาจารย์ทั้งหลายท่านบอกว่าเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงสั่งให้เธออยู่ในพระคันธกุตีเดียวกันกับพระองค์อาจารย์บางพวกบอกว่าเรายังไม่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเฉพาะพระพักท่านกล่าวหมายเอาการเห็นรูปประกายเท่านั้นนะอาจารย์กลุ่มแรกก็บอกว่าพระโสนเนี่ยก่อนหน้านั้นท่านเป็นปุถุชนมาบรรลุเป็นพระอรหันตตอนที่มาล่ า, ากล่าวธรรมะกล่าวจบพิจารณาธรรมะตามที่ตัวเองกล่าวปฏิบัติก็บรรลุอาจารย์บางพวกก็บอกว่าบรรลุมาก่อนหน้านี้แล้ว จริงอยู่ท่านพระโสนะพอบวชแล้วก็เรียนกรรมฐานในสำนักพระหมหากัจจยนะเทระเพียรพยายามอยู่ยังไม่ได้อุปสมบทก็เป็นพระโสดาบันครั้นอุปสมบทแล้วก็คิดว่าแม้อุบาสกทั้งหลายก็เป็นพระโสดาบันทั้งเราก็เป็นพระโสดาบันในข้อนี้จะคิดไปทำไมเล่านะต่างอะไรกันไม่บวชเขาก็เป็นพระโสดาบันอยู่แล้วคลา้คลายเหมือนมีม า, น, านะนะก็เจริญวิปัสสนาเพื่อบรรลุมรักชั้นสูงได้อภินญาหก ภายในพรรษานั่นเองแล้วก็ปวารณาด้วยวิสุธทธิปวารณาปวารณาอย่างผู้บริสุทธิ์เพราะเห็นอริยสัจจึงเชื่อว่าเธอได้เห็นธรรมกายของพระผู้มีพระภาคเจ้านะการเห็นอริยสัจว์นะชื่อว่าเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมกายคือการแทงตลอดอริยสัจว์นั่นเองที่พระองค์ตรัสว่าวกกะลิ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราแสดงว่าผู้ใดเห็นอริยสัจผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นอริยสัจถ้ากล่าวตามนี้นะข้อหมายถึงอริยสัจเน้นพิเศษสัจจะไหนเราเห็นคนแก่เจ็บตายนี่ชื่อว่าเห็นหรือยังเห็นตันหาเกิดขึ้นชื่อว่าเห็นอริยสัจหรือยังมันเห็นคนแก่ก็เห็นพระพุทธเจ้าเลยไหมบอกไม่ใช่หมายถึงเห็นเนโรสัจจะกับ มัคคสัจจะถ้าเห็นนิโรสัจจะกับมัคคสัจจะเมื่ อ, อไหรชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าผู้คือผู้ที่แทงตลอดนิโรสัจจะกับมัคคสัจจะเพราะฉะนั้นการเห็นธรรมกายจึงสําเร็จแก่เธอก่อนทีเดียวก็แลครั้นปรวรณาแล้วเธอได้มีความประสงค์จะเห็นรู ป, ปกายเห็นรู ป, ปกายคือเห็นพระสรีระเนี่ยนะ บทว่ากัจจิภิกขุคมนียังความว่าดูก่อนภิกษุนะไปถึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระองค์ก็ทักทายปราศัยว่ายนคือสรีระหรือสรีระยนของท่านเนี่ยนะมีจักรี่คืออิริยาบทสี่มีทว า, าวรน9้าคือตาสองหูสองเป็นต้นเธอพึงอดทนได้เลหรือเธอสามารถเพื่อจะอดทนคืออดกลั้นบริหารได้เลหรือคือบริหารอัตภาพให้เป็นไปได้หรือ ภาระคือทุกข์ไม่ครอบงามเธอหรือบอว่ากิจจิยาปนิยังความว่าเธออาจยังอัตภาพให้เป็นไปคือให้ดำเนินไปในกิจนั้นนั้นได้หรือเธอไม่แสดงอันตรายอะไรหรือหมายความว่าไม่มีความลำบากไม่ป่วยไม่ไขนะ่เธอเดินทางไกลามานี้ด้วยความไม่ลำบากบ้างหรือก็แสดงว่า <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ทักทายปราศัยนะไปถึงก็เป็นยังไง พูดแบบทั่วๆไปไม่พระองค์ก็พูดแบบโวหารที่เป็นถ้อยคำชวนให้ระลึกถึงกรรมเนี่ยนะ พ, นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ใช้ถ้อยคำเนี่ยควรแก่การระลึกไม่ใช่เป็นบุคคลที่ใช้คำแบบตัดเยื่อใยไม่ใช่ น, นะมีมีพระที่ใช้ถ้อยคำตัดเยื่อใยเนี่ยนะมีอยู่ท่านเดียวแต่ว่าใช้ครั้งเดียวนี้ได้ผลเลยคือพระกุมารกัสสะ พระกุมารกัสปะนี้นะตั้งกับแม่ของพระกุมารกัสปะเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองมีท้องก็ไปบวชเป็นภิกษุณีพอบวชอยู่ไม่นานก็คันก็แก่แล้วก็คลอดลูกตอนหลังพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลก็เอาไปเลี้ยงแต่ว่านางก็ก็มีลูกก่อนที่จะบวชอยู่แล้วนะก็ยังบวชสมณะเพศใจก็คิดถึงแต่ลูกบวชอยู่20ปีนี้คิดถึงแต่ลูกวันๆหนึ่งก็คิดถึงแต่ลูกไอตอนบวชก็ตั้งใจจะบวชเต็มที่พอมีลูกก็คิดถึงแต่ลูก20ปีเลย มีวันหนึ่งพระกุ ม, มารกรสปะบวชเป็นพระมาแล้วเนี่นะพิสุนีนี่เห็นรู้วนั่นนะ่ะลูกชายของตัวเองก็เลยเข้าไปหาไปไหว้ก็บอกว่าร้องให้ลูกชายก็ว่าไ ง, ไงวะมัวแต่ทำอะไรอยู่บวชมาตั้งนานแล้วความรักแค่นี้ก็ตัดไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> สียใจมากบุยเราเนี่ยนะอุตส่าห์ใจจดใจจ่อนื้อถึงลูกลูกนี้ทำไมพูดตัดความเยื่อใยอะไรกับเราขนาดนี้ บวชมาตั้งยี่ิบปีแล้วความรักแค่นี้ก็ตัดไม่ได้เหมือนนบวชมาตั้งนานนะทํรรราอะไรอยู่เสีญญยใจก็เลยไปปฏิบัติไม่นานก็บรุ่นเหมงอนกันแต่ปกติเขาจะพูดถ้อยคําที่ให้ระลึกถึงการคือพระกุ ม, มารสักษาท่านคิดแล้วถ้าพูดดีๆกับแม่แม่ไม่ได้บรรลุหรอกอะไรก็บอกว่าเนี่ยโมทำอะไรอยู่บวชมานานขนาดนี้ความรักลูกแค่นี้ก็ยังตัดไม่ได้เหมือนกันทันเวลาคนอื่นเพขาว่ากันอาจจะว่าอย่างนี้บ้างกันะแต่ว่าอย่าว่าบ่อยนะอาจจะสร้างเวร แล้วคนอื่นก็เอาคืนบ้างไงนะ <c oughs> พระพุทธเจ้ า, านี้ก็บอกว่าอบอกให้พระโสะอันี่แสดงธรรมให้ฟังใช่ไม้มที่บอกว่าปฏิภาตตตังพิขุธรรมโมภาสิตุงได้แก่ดูก่อนภิกษุการกล่าวธรรมะจงปรากฏแก่เธอคือจงมาในมุก ค, คือยาณของเธออธิบายว่า เธอจงกล่าวทำตามที่ได้สดับมาตามที่ได้เล่าเรียนมาพระโสนก็เลยกล่าวพระสูตรสิบหกสูตรเนี่ยนะโซละสะสูตรในอัทธกะวักไม่ใช่แปดวคเนี่ยนะไม่ถึงแปดวคหรอกเรียกว่าอัทธกะวักเนี่ยนะ ม, นยนะมีพระสูตรอยู่สิบหกสูตรในในอัทธกะวรักเขามีในสุตตานิบาตนะเขมีอัทธกะวักมีปรายณวักเป็นต้นพระโสนก็กล่าวโดยสารพันญะโดยเสียงสูงกล่าว จบลงสุขะหิตานี้เล่าเรียนโดยชอบพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้เรียนมาดีสุมาณสิกตาณิเขาเรียกว่าใส่ใจด้วยดีเรียนมาก็เรียนมาดีใส่ใจก็ใส่ใจอย่างดีอธิบายว่าบางคนนะบางคนในเวลาเล่าเล่าเรียนก็เรียนโดยชอบแต่เวลาหลังภายหลังในเวลาทําไว้ในใจในการสาธยายเป็นต้นก็กล่าวพยัญชนะให้ผิด หรือทําบทหน้าบทหลังให้ผิดพลาดไปพระโสนนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่บางคนนี่เรียนมาอย่างดีแล้วสวดไปสวดพิพิทุกๆอย่างนะแต่พระโสนนี้ใส่ใจตามที่เล่าเรียนมาโดยชอบทีเดียวด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงบอกว่าสุมาณสิกตานิใส่ใจด้วยดีบทว่าสุปทาริตานี้ได้แก่โดยอัถฐธเธอก็ทรงจําไว้ได้ดีแล้ว ก็เมื่อเธอทรงจําอัฏฐไว้ดีแล้วก็สาม า, า, มารถสวดบาลีได้อย่างถูกต้องเขาบอกว่าคนที่จําได้ดีหนึ่งคือคนที่เข้าใจเรื่องนั้นเป็นอย่างดีเนี่ยจะจําได้อย่างถูกต้องนเนี่ยนะคนที่จําแต่พยัญชนะอย่างเดียวเนี่ยจะจะค่อนข้างระยะยาวก็ลืมหมดแต่คนที่เข้าใจเรื่องนั้นเป็นอย่างดีเนี่ยนะจะจำเรื่องนั้นได้อย่างได้อย่างมากเนี่ยนะอย่างเราเนี่ยเข้าใจเรื่องบ้านเราได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นจะนึกถึงภาพในบ้านเราได้เยอะมากนะ วาจาของพระ เ, เสียงของพระโสนะบอกว่ากาลยานิยากลยานิยาสิวาจายสมนาคโตวความว่าเธอเป็นผู้ประกอบด้วยวาจาของชาวเมืองบริบูรณ์ด้วยบทและพยัญชนะอันกลมกลม่มด้วยการกล่าวตามวิธีมีสถิระเสียงอ่อนเสียงแข็งเป็นต้นเนี่ยนะคือใช้เสียงได้อย่างถูกต้องเนี่ยนะอันโยมฟังอาตมาพระบ้านนอกพูดก็ทนทนเอาไหน ก, นก็แล้วกันไม่ใช่ชาวเมืองนนะ น, นานๆจะเข้าเมืองพีทนะำบุญมาไม่ดีเองแล้วตอนหลังเนี่ยนะเพราะความที่พระโสนโกติกันนะเนี่ยท่านกล่าวบทและพยันชนะไม่คลาดเคลื่อนพูดได้อย่างไพเราะเป็นวาจาที่หาโทษมิได้พระองค์ก็เลยสถาปนาเธอไว้ในเอตทัคะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้สาวกของเราผู้กล่าววาจาไพเราะ โสณนะกุติกั น, นะเป็นเลิศแปลแสดงว่าเป็นผู้ที่มีเสียงดีมากเลยนะพูดแล้วก็น้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำไม่แตกไม่พรา่าเป็นภาษาของชาวเมืองเสียงสูงเสียงต่ำได้หมดเลยนะบทว่าอัทธสวิญญาปนิยาความว่าวาจาอันสมควรเพื่อให้รู้แจ้งอัทธตามที่ประสงค์คือเป็นผู้ที่มีความสามารถใช้เสียง น, น, นะใช้เสียงบังคับให้คนเนี่ยเข้าใจเนื้อความตามที่ตัวเองต้องการบางคนเนี่ยพูดแล้วคนฟังมันเข้าใจยากอยากไมร่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้มีไหมไอ้เรื่องง่ายๆทําซะยากหมดเลยนะก็ที่จริงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากานะพูดอยู่ตั้งนานอ๋อกว่าจะเข้าใจอ๋ออที่พูดนี่มันแปลว่าอย่างไง้บอกพูดด้วยพูดอยู่ตั้งนานอ๋อคนพูดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพูดอะไรอย่างไงอันนี้มันลําบากอย่างนี้เลยบทว่ากติวัตโส ความว่าได้ยินว่าเธอดำรงอยู่ในส่วนที่สามแห่งมัชชิมะไวก็แสดงว่าท่านบวชอายุห6 0ไปแล้วนะสมบูรณ์ด้วยอากับปะกิริยาแท้ย่อมปรากฏแก่ชนเหล่าอื่นเหมือนบนรรพชิตผู้บวชนานซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถามหมายถึงท่านที่พระองค์ถามว่าเพราะเหตุไรเธอจึงประพฤติชักช้าอย่างนี้ทาไมเธอจึงไม่เข้าถึงบรรพชา ทำไมอยู่ท่ามกลางเรือนเสียนานทำไมไม่บวชให้เร็วกว่านี้นะโซณาก็บอกว่าข้าพราะองค์ได้เห็นโทษของการมทั้งหลายมานานแล้วนะเห็นโทษทั้งกิเลสกรรมและวัตถุกรรมนั่นแล้วเมื่อข้าพราะองค์เห็นโทษในกรรมทั้งหลายโดยบางประการข้าพราะองค์ก็ไม่สามารถเพื่อจะออกจากการครองเรือนก่อนทำไมล่ะก็เพราะการครองเรือนเนี่ยมันคแคบ เพราะภาวะในการครองเรือนี่มันมีกิจน้อยกิจใหญ่กิจสูงๆต่ำๆเข้ามาพัวพันแก้หัวผิดทายยังงนู้ป่ะแก้หางผิดหน้าแก้หน้าผิดหลังแก้ขวาผิดซ้ายเนี่ยแก้โน่นก็ยุ่งนี่นั่นน่ยยิ่งแก้ยิ่งยุ่งเป็นต้นเนี่ยทั้นนานกว่าจะบวชได้เพราะกิจมากธุระมากพระองค์ทราบเนื้อความโดยอัฐนี้ว่าจิตของเธอผู้เห็นโทษในการมทั้งหลายตามความเป็นจริงแม้ชักช้าอยู่ไม่เล่นไป คือไม่กลิ้งตกไปโดยแท้ทีเดียวเหมือนหยาบน้ำบนใบบัวเห็นโทษไม่ติดก็จริงแต่ก็ยังกลิ้งอยู่บนใบบัวนะไม่ยอมตกจากใบบัวสักทีหนึ่งทงก็เลยอุทานเปล่งอนุภาพว่าเธอนทราบปวติคือทุกขสัตินิวติคือนิโรสัรจจะโดยชอบทีเดียวย่อมไม่ยินดีในปวติคือทุกขสัจจะแม้ในการบางคราวซึ่งมีปวติและนิวตินั้นเป็นนิมิต คือท่านมีความเข้าใจแล้วว่าสังสารวัตเป็นอย่างไรความดับสังสารวัตรเป็นอย่างไรทั้งทั้งที่เข้าใจอริยสัจเป็นอย่างดีพระองค์ก็เลยอุทานบอกว่าทิสวาอาทีนวังโลเกความว่าเห็นอาทีนบคือโทษ ด, ด้วยจักขุคือปัญญาในสังขารทั้งโลกสังขารโลกแม้ทั้งสิ้นโดยในเป็นต้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาด้วยคํานี้พระองค์แสดงถึง วิปัสนาบทว่ายัตะวังกามังนิรูปทิงความว่ารู้ความไม่มีอุปทิคือพระนิพพานเพราะสละอุปธิทั้งปวงได้ขาดกระทาอมะตะธรรมกล่าวคือวิเวกอันเป็นเครื่องสลัดออกจากทุกให้แจ่มแจ้งแทงตลอดด้วยมักขยานตามความเป็นจริง น, นะที่บอกว่าอาทิาทิสวะอาทีนวังโลกเกเนี่ยนะอันนี้ก็คือวิปัสสนาญาณ น, นี่เห็นโทษของ ทุกขสัจจะเห็นทุกขสัจจะโดยอ น, นิจจังทุกขังและอนัตตาอนัตตายัตวะธรรมมังนิรูปทิงอันนี้ก็คือทราบนิพพานที่นิพพานนี่เป็นอะไรที่สลัอุปธิเป็นอมะตะธรรมเป็นเครื่องสลัดออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นเห็นโทษของโลกตามความเป็นจริงเห็นนิพพานที่ปราศจากอุปธิ ผู้ที่เห็นอย่างนี้ก็เป็นสัตบุรุษใช่ไหมสัตบุรุษคือพระอริยะนี้ไม่ยินดีในบาปเรียกว่าอริโยนนะ ร, รัมมติปาเปความว่าสัต บ, บุรุษเชื่อว่าอริยะเพราะไกลจากกิเลสย่อมไม่ยินดีในบาปแม้มีประมาณน้อยถามว่าเพราะเหตุไรเพราะคนสะอาดย่อมไม่ยินดีในบาปอธิบายว่าบุคคลบริสุทธิ์เพราะมีกายะสมาจารหมดจดด้วยดีย่อมไม่ยินดีย่อมไม่เพลิดเพลินในบาป คือในสังกิเลสิกะธรรมนะพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ยินดีในสังกิเลสคือทุจริตตัณหาและมิจฉาทิฐิเหมือนพระยาหงไม่ยินดีในที่สกปรกฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าพระอริยะไม่ยินดีในบาปซึ่งต่างจากอะไรคนบาปใช่ไหคนบาปคนชั่วย่อมยินดีในอขอไปคนชั่วย่อมไม่ยินดีใน ของสะอาดหรือไม่เพราะว่าคนบาปไม่ยินดีในความดีบอกคนมีบาปคือคนชั่วย่อมไม่ยินดีของที่สะอาดคือของที่ไม่มีโทษที่มีความผ่องแผ้วเป็นธรรมโดยแท้ยินดีแต่ของไม่สะอาดคือสังกิเลต ธ, ธรรมเท่านั้นเหมือนอะไรเหมือนสุกรบ้านเป็นต้นหมูนะยินดีแต่สถานที่สกปรก ฉ, น, น, ระฉะนั้นเพราะฉนั้นพระองค์จึงเปลี่ยนเทศนาโดยธรรมะอันเป็นปฏิบัติ ไม่เชื่อก็ไปชวนคนชั่วมาฟังทำดูสินะเพราะฉะนั้นคนชั่วไม่ยินดีในความสะอาดเห็นคนทุศีนชวนเข้ามาสมาทานศีนได้ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ เ, เขาบอกว่าหมูเป็นต้นไม่ใช่ชอบของสะอาดเนีย่ยนะเพราฉะนั้นหลังจากที่พระองค์อนุโมทนาอุทานที่บอกว่ า, าทวนในคาถาอีกครั้งหนึ่งในหน้าห้าเนี่ยที่บอกว่าพระอริยะไม่ยินดีในบาปใช่ไหม เพราะอะไรทําไมท่านยังไม่ยินดีในบาปเพราะท่านมีวิปัสสนาเห็นโทษของโลกอันนี้ปวัตะคือทุกขสัจจะและก็รู้ทำอันไม่มีอุปเทีคือพระนิพพานมันคนที่เห็นอริยสัจอย่างนี้ไม่ยินดีในบาปเป็นพระอริยะที่ไม่ยินดีในบาปเป็นผู้สะอาดที่ไม่ยินดีในบาป ซ, ซึ่งต่างจากปุตุชนทั้งหลายผู้ไม่เห็นอริยสัจย่อมยินดีในบาปนี่ยนะ หลังจากนั้นท่านก็ขอพรจากพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ก็อนุญาตด้วยดีวันนี้ก็ข้อความในโสนสูตรก็จบแต่เพียงเท่านี้วันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้